สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในคช้าวันนี้เรา <c oughs> เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ครับแผ่นดินสวรรค์ตอนที่สามครับในวันนี้นั้นผมจะขอบทวนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าตอนที่หนึ่งตอนที่สองที่ผ่านมาแล้วนั้นตอนที่หนึ่งตอนที่สองนั้นได้พูดถึงความหมายนะครับหรือ definition ของแผ่นดินของพระเจ้า เราพูดถึงความหมายว่าแผ่นดินของปเจ้านั้นก็คือเป็นเรื่องราวของชิดที่อํานาจนะครับอยู่บนแผ่นดินสิทีิอำนาจอยู่บนแผ่นดินและสิทีิอำนาจนี้มีความหมายมากกว่าการที่จะเป็นของเขตด้วยการกําหนดพื้นที่นะครับในส่วนนี้เองทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราพูดถึงแผ่นดินพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นั้นแม้ว่าจะเป็นคาที่อินเทอร์เชเจอรนะครับแต่ว่ามีวัตถุประสงค์การพูดหรือการใช้ความหมายนั้นแตกต่างกัน คำว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นใช้ในลักษณะของพระเจ้าเป็นเจ้าของคำว่าแผ่นดินสวรรค์ น, นั้นก็คือความพยายามที่อะหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้านะครับพอมาวันที่สองนั้นผมได้พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในยุค ป, ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเริ่มต้นจากแผ่นดินของพระเจ้าในยุคของพระเยซูเสื่สเนื่องต่อกันมาในสมัยของพระเยซูก็เป็นปัจจุบันของพระเยซูรครับในสมัย ของเราก็เป็นปฏิบัติบานของเราแต่แผ่นดินนั้นก็เป็นแผ่นดินเดียวกันครับเป็นแผ่นดินเดิมที่สืบเรื่องต่อกันมานั่นก็คือกิจจักรนั่นเองเนนรื่งทับในวันนี้จะพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในมิติของเชิงอนาคตนะครับในเชิงอนาคตเรารู้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวชัดเจนว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้มาถึงแล้วนะครับในสมัยของเปเยสพระเยซูเป็นคนที่ เป็นผู้ที่ก่อตั้งแผ่นดินสวรรค์เป็นผู้แรกนะครับแผ่นดินสวรรค์ที่ก่อตั้งบนโลกนี้นะครับแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงการครอบของของตรงพี่น้องอย่านึกถึงตัวทานโบสถ์นะครับแต่นึกถึงพระสำนักที่ครอบครองชีวิตของคริสเตียนมีชีวิตของลูกของพระเจ้าสาวก ข, ของพระองค์ทุกๆคนนะครับเราเห็นได้ชัดว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้วและตั้งอยู่แล้วก็ยังมีการพูดถึงว่าการมาแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ในเพิ่มพีพบว่าจะมาในอนาคตในหลาคนพออ่านเมุกอาจจะไม่เข้าใจครับว่าทําไมถึงมีแผ่นดินสวรรค์ในในเชิงของอนาคตด้วยหรือนะครับผมอยากจะเรียนให้ที่น้องทราบว่ามีครับก็คือสืบเนื่องต่อกันไปสมมุติว่าถ้าเราเอาตัวเองนะครับเป็นศูนย์กลางแผ่นดินสวรรค์เกิดขึ้นในอดีตครับก็คือเกิดขึ้นตอนที่เบียสูซึ่ออง22ปันปีที่แล้วแล้วก็สืบเนื่องต่อเรื่องกัน เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือพวกเราและจะสืบต่อไปในอนาคตนะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นของวันนี้ที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาบทําความเข้าใจเรื่องราเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับในเช้า ว, วันนี้มีคําสอนของพระเยซูหลายๆแห่งครับที่พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในเชิงอนาคตนะครับอนาคตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าและยุคสุดท้ายที่กํำลังจะมาถึงอันนี้คือเป็นคํา ของพระกัมภีร์ที่ได้เขียนทําให้เราเข้าใจได้ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินที่รวมไปถึงอนาคตนะครับที่ยังมาไม่ถึงได้แต่จะมาถึงแน่นอนพี่น้องครับในพระเจนะของพระเจ้านะครับที่สนับสนุนการมาแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตนะครับสามารถพบได้ในคาเทศนาบนภูเขาซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของผู้เป็นสุขนะครับหรือพรแต่ประการนั่นเอง แม่พระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อหนึ่งข้อสองนะครับผมจะไม่ใช้เวลานี้ในการอา่านคมพีให้พี่น้องฟังแต่ถ้ากว่าพี่น้องมีพคมพีอยู่ติดใกล้ตัวครับลองเปิดดูนะครับมัทธิวบทที่ห้าข้อหนึ่งข้อยสองในตอนนี้นะั้นหลายแห่งได้กล่าวถึงผลตอบแทนแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในลักษณะเชิงอนาคตนะครับเชิงอนาคตมีคำว่าจะจะจะจะนะครับ ความหมายอีกในนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเช่นแผ่นดินจรวันเป็นของผู้ที่รู้สึกปกป้องฝ่ายวิญญาณในอยู่ในข้อที่สามนะครับจะเห็นว่าข้อความในตอนนี้เป็นลักษณะของกริยาปัจจุบันอาการนะครับหรือ present tense แต่ข้อความอนจออื่นผลตอบแทนจะเกิดตามมาในอนาคตครับก็คือจะได้รับการตลอบประโลมเห็นไหมครับจะได้รับการตลอบประโลมนั่นหมายถึงว่า future tense ครับก็คือ อนาคตการนั่นเองในข้อที่สี่จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นบรรทกในข้อที่ห้าจะให้อิ่มบริบูรณ์นะครับจะได้รับพระกรุณาตอบในข้อที่หกในข้อที่เจ็ดครับจะได้เห็นพระเจ้าข้อที่แปดครับเห็นไหมครับมีคําว่าจะจะจะนั่นแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้าในเชิงอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นสุขจะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะครับคือ หมายถึงอะไรครับหมายถึงอนาคตและในขณะเดียวกันครับตอนนี้เราได้หรือเปล่านะครับในหลายๆข้อครับเราได้และจะสมบูรณ์นะครับแสดงถึงสภาพความสมบูรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญให้เราเข้าใจตรงนี้เมื่อเเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเข้าใจการที่พีเอชูจะกล่าวถึงการเข้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับและเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในอนาคตเช่นเดียวกันครับ ในการเข้าแผ่นดินสวรรค์ น, นะครับในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อยี่สิบเจ็ดจพูดถึงนะครับเช่นเดียวกันครับในการงานเลี้ยงใหญ่นะครับที่จะมาถึงบรรดาบรรพบรุษหรือบรรดาชนในทั้งที่เดิมจะมาร่วมสำรับพร้อมกับแขกไปนั้นมากจากทั่วทุกสารทิศในโลกและบุตรแห่งแผ่นดินนะครับบุตรแห่งแผ่นดินหมายถึงพวกยิวนะครับเขาคิดว่าจะได้เข้าร่วมอย่างแน่นอนกับทุกปฏิเสธเห็นไหมครับนะ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนยิวทำไมเขาถึงถูกปฏิเสธครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นชาวพลเมืองแห่งมิสวร์เนื่องจากการที่เขาไม่ได้ต้อนรับพระเยซูอันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับสําหรับคนยิวคนยิวที่ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเขาจะถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าร่วมในแมิสวรค์ทั้งที่พวกเขาจะมีสิทธิครับ มีพระมัมภตอนหนึ่งครับอ้างว่าในวันนั้นนะครับในวันนั้นน่นแสดงเชื่องอนาคตรครับเมื่อมัทธิวครับกล่าวถึงคำตัดของพระเยซูมัทธิวบันทึกว่าเมื่อพระเยซูกล่าวถึงการที่จะไม่ดื่มน้ำแห่งเทวาเง่นนี้อีกต่อไปพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับมาระโกบทที่สิบสี่ครับบทที่สิบสี่ก็ยี่สิบ เปโตรกล่าวถึงการที่จะไม่ดื่มน้ําแห่งเทวมนต์ต่อไปจนกว่าพระองค์จะดื่มอีกครั้งในแผ่นดินแห่งพระบิดานะครับไปแผ่นดินแห่งพระบิดานั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองนะครับเปซูเวลานี้พระองค์เสล็จเข้าขึ้นสู่สวรรค์นะครับประทับนัเบื้องกว่าพระหัตของพระบิดาเจ้าเปซูไม่ดื่มน้ําแห่งเทวมุต์นี้จนกว่าพระองค์จะดื่มอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดิน ของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์เองนะครับในพระวรสารพระเจ้าวีร้ายตอนมากนะครับที่พูดถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ใ น, นเชิองอนาคตในเชิองอนาคตเช่นโยเซฟชาวอิมาเทียก็ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่กําลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งพระเยซู เ, เองพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาด้วยฤทธานุภาพในช่วงชีวิตของบรรดาผู้ที่ฟังพระองค์บางคน เห็นไครับเยซูพูดนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาด้วยฤทธารูปภาพพระเยซูเองก็สอนให้สาวกของพระองค์อธิษฐานเผื่อการมาของแผ่นดินของพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้างอยู่นะครับนะีเป็นคำที่เราทั้งหลายอธิษฐานทุกๆวันทุกๆอาทิตย์นะครับแน่นอนครับสาวกจะไม่อยาติฐานเผื่อบางอย่างที่ได้มาตั้งอยู่แล้วพี่น้องครับจากตรงนี้ที่เองทําให้เราเห็นทิ้งบทประยุกต์ครับว่า เราเองขณะที่เราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ลแล้วเราต้องมองแผ่นดินสวรรค์ในเชิงอนาคตด้วยก็คือเราจะต้องมีท่าทีที่รอคอยครับเหมือนกับโยเซฟชาวอาริมาเทียที่รอคอยมีชีวิตแห่งการรอคอยคนที่รอคอยนะครับเขามีความหวังครับคนที่รอคอยเขาไม่สะสมอะไรมากมายในชีวิตนี้แต่สิ่งที่เขาจะสะสมก็คือสะสมเผื่อไว้สำหรับชีวิตหน้า อะไรครับที่เป็นสเสบียงเลี้ยงตัวในอนาคตในชีวิตหน้านั่นก็คือคุณงามความดีหรือการรับใช้ที่เราทําต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนั้นนะครับจะเกิดการสะสมนะครับสะสมไว้ในแผ่นดินสวรรค์สะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในแผ่นดินสวรรค์นั่นคือทำให้ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกนี้ชื่อเป็นของอนิจจังและสูญหายไปได้บังเกิดผลมากนะครับบังเกิดผลมากอย่างไรครับบังเกิดผลมากโดยการถวายเข้าไปนะครับแต่เพื่อที่จะ ให้ผลแห่งการถวายนี้นะครับในแผ่นดินโลกนี้เกิดผลในบนแผ่นดินสวรรค์เพื่อการที่เราทั้งหลายให้ถวายทรัพย์ของเราถวายเวลาของเราถวายการรับใช้ของเราเพื่อที่จะทําให้กิจจักรของพระองค์เติบโตเพื่อที่จะทําให้เกิดการขยายตัวของแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นทําให้เกิดการทำสมทัพยสมบัติของพวกเราไว้บนสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นสัมสมมากยิ่งได้มากสัมสมน้อยก็ได้น้อยครับ ต่อไปก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์นะครับจะเติมเต็มหรือจะสมบูรณ์แบบได้หลังจากที่เรามีท่าเทีของกันรอคอยนะครับเราต้องมีท่าทีแห่งความเชื่อและความหวังใจครับเพื่ออะไรครับทำไมถึงต้องมีความเชื่อความหวังใจท่าที ว, ว่าในที่สุดแล้วนะครับเราจะต้องเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างแน่นอนทำให้เราเกิดความเพียรพยายามครับเกิดความเพียรพยายามที่เรายังต้อง ตั้งพงของเราตั้งเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของเรานี่ก็คือการที่จะเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าในเชิญสมบูรณ์แบบในลักษณะที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราในโลกนี้ครับทนทุกข์ทนทุกข์ททกบ้างไม่เป็นไรครับทนทุกข์มากก็ไม่เป็นไรเพราะความทุกข์นั้นทําใหเา้เราเกิดความอดทนการอดทนนั้นทําให้เราก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้นะครับการดําเนินชีวิตนั้นเราต้องประกาศแผ่นดินของพระเจ้า กับเชิญชวนคนนอกแผ่นดินให้เข้ามาเพราะที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินแห่งความสุขเป็นแผ่นดินแห่อพลันะครับเป็นแผ่นดินที่ทั้งหลายจะไม่มีน้ําตาอีกต่อไปไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เราต้องประกาศประกาศออกไปครับประกาศให้คนเป็นามากนั้นได้รับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้านะครับต่อไปก็คือเรื่องของการดําเนินชีวิต จะเริ่มสำแดงชิตของชาวแผ่นดินสวรรค์ออกมานะครับการสาแดงชิตของชาวแผ่นดินสวรรค์นั้นทําให้เรทั้งหลายนั้นเป็นคนที่สังคมยกย่องเป็นคนที่ทําคุณงามความดีฝากนะครับความดีไว้กับแผ่นดินนี้ทีนะี้ครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นถึงความสําคัญของแผ่นดินของมรจ้าตั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตในสามวิติด้วยกันนะครับ เรามีชีวิตอยู่บนความหวังในปัจจุบันนี้ซึ่งเราจะต้องเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าพอพรไทยที่พระเจ้าจะยกชูชีพของเราขึ้นมาเพื่อที่ว่าําเนิตของเราในแผ่นดินสวรรค์นั้นจะเป็นดําเนิตที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราพร้อมที่จะเชื่อฟังเราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่างทนทุกข์เพื่อปีชเราพร้อมที่จะสําแสดงชีวิตของชาวแผ่นดินสวรรค์เราพร้อมที่จะประกาศเรื่องราวของแผ่นดินสวรรค์ Amén.